คำว่าพาักพัวาเนี่ยมาจากภาคะแปลว่าผู้มีส่วนก็ได้เช่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งจีวณบินธบสนาสนะและคีลานาะปัจจัยเภสัชบริขารฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวา่าก็คือมีส่วนแห่งปัจจัยสี่ถามว่าทำไมพระองค์จึงมีส่วนแห่งปัจจัยสี่คือจีวณเป็นต้นก็เพราะว่าเมื่อพระองค์เนี่ยบริโภคปัจจัยสี่ของชนเหล่าใดอันนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุข ของชนเหล่านั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมควรแต่การรองรับปัจจัย4ี่ของสัตว์ทั้งหลายฉั้นพระองค์จึงเรียก ว, ว่าเป็นผู้มีส่วนเห็นไหเพราะว่าเมื่อพระองค์ใช้ของผู้ใดแล้วก็จะเรียกว่าจะเป็นไปเพื่อบุญเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อนิพพานสําหรับชนเหล่านั้นเลยอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอันเป็นอัทธรสธรรมรสวิมุตติรส อันนี้จึงชื่อว่าพัวะเนี่ยนะก็คืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญ า, นนะนาเนี่ยนะไตรสิกขาเนี่ยพระองค์มีบริบูรณ์ครบถ้วนจึงชื่อว่าพรักวะนั้นเมื่อพระองค์นี่บริบูรณ์ด้วยอธิศีนอธิจิต อ, ธ, อธิปัญญาที่เป็นไตรสิกขาอย่างนี้นั้นทั้งทำอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสเนี่ยนะอัทธรสก็เน้นการแทงตลอดอริยสัตว์นะนะอัทธรสธรรมรสคือการแทงตลอดอ ร, ริยสัตว์สำเร็จอริยผลเป็นวิมุตติรสนั้นพระองค์นี่มีส่วนแห่งคุณธรรมเหล่านี้จึงชื่อว่า พัควาคำว่ามีส่วนนี่ไม่ต้องไปแบ่งใครหรอกคือจะว่าก็มีคุณธรรมเหล่านี้นะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งฌานสี่อัปปมัญญาสีอรูปสมาบัติสี่จึงชื่อว่าพักวา น, นะมีส่วนแห่งฌานสีก็คือรูปฌปานสี่เนี่ยนะที่เกิดจากอารมณ์ทั้งหลายมีกสินทั้ง8ปดเนี่ยนะคือาธาตุกสินวั น, นะกะสิน ธาตุกสินสวันนากสินสอาณาปานาสติหนึ่งอสุภาษสัญญาสิบเป็นต้นน่ะที่ทําให้ได้ฌานสี่เนี่ยพระองค์ก็มีได้ฌานเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็มีอัปปมาญญาสี่ก็คือพระองค์มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขาพระองค์ก็ยังมีอรูปสมาบัติสก็คืออากาสานัญญายตนาวิญญาณัญจายต น, ะนย า, นนาตนะอากิญจัญญายตนาะเนวสัญญาณาสัญญายตนาะ เพราะฉะนั้นเท่ากับกล่าวว่าฌานสมาบัติเนี่ยมีเหลือเฟือว่งนนั้นลไม่ขาดไม่บกพร่องแม้แต่หน่อยเดียวฉะนั้นคุณธรรมคือรูปรรประฌานรูปฌานพรหมวิหารที่เป็นระดับฌา น, นาจิตทั้งหลายเนี่ยพระองค์มีครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์หมดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งวิโมก8อภิพายัตนะดอนุปปภวิหารสมาบัติ9จึงชื่อว่าพัวาวิโมกแก็คือพวกที่เจริญกรรมฐาน โดยปรารบอารมณ์ภายในกับผู้ที่เจริญกรรมฐานปรารบอารมณ์ภายนอกเนี่ยนะอภิภายตนะก็ในยะเดียวกันนะเช่นว่าเจริญกรรมฐานโดยที่พิจารณาผมขนเล็บโดยวรนนกสิลป์แล้วก็พิจารณาอารมณ์ภายนอกก็เข้าฌานได้หรือพวกที่เจริญอารมณ์ภายนอกอย่างเดียวหรือพวกเจริญวันนกสิลปเนี่ยนะเจริญทั้งาธาตุสิลวันนักสิน์จนได้สมาบัติตั้งแต่ได้รูปฌานสี่รูปฌานสีนั่นแหละ น, นะ แล้วก็พระองค์ก็มีอนุปภาพวิหารสมาบัติ9ก็คือธรรมะเครื่องอยู่โดยลําดับเนี่ยนะก็เช่นพระองค์เนี่ยมีเครื่องอยู่โดยลําดับตั้งแต่ปฐมฌานคือฌานที่1นฌานที่2อฌานที่3าฌานที่สี่นะยังได้อรูปฌาน4ี่แล้วพระองค์ยังได้สัญญาเวทายตานิโรธคือนิโรธสมาบัติอีกมั้นพระองค์มีส่วนแห่งวิโมก8อภินอภิพาญตนะคือฌานเป็นเครื่องครอบงำแ8อนุปภาพวิหารสมาบัติธรรมะเครื่องอยู่โดยลําดับ9้าเนี่ยนะ มันพระองค์จึงชื่อว่าพักวาร <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบกสินสมาบัติสิบอาณาปานาสติสมาธิอสุภาษสมาบัติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวารเนี่ยนะสัญญาภาวนาเช่นอา น, นิจจสัญญาทุกขสัญญาอนตัตตาสัญญาเป็นต้นเนี่ยสัญญาภาวนาเหล่านี้พระองค์เจริญครบถ้วนบริบูรณ์กสินสิบคือาธาตุกสินสีวันณกะสินสีอากาศกสิน หรือว่าวิญญาณนักสิลป์เนี่ยพระองค์ก็เข้าได้หมดอานาปานสติเนี่ยนะกำหนดลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สแล้วก็อสุภาสมาบัติทั้งอสุภาษที่มีวิญญาณครองอสุภาษไม่มีวิญญาณครองเนี่ยพระองค์เข้าฌานโดยพิจารณาสุภาษได้หมดฉะนั้นจึงชื่อว่าพระวา แล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้ามีส่วนแห่งสติประธานสี่สัมมาประธาน4อิทิบาท4อินทรียห้พละ5โพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จึงชื่อว่าพระขวาวเนี่ยนะสติประฐาน4พิจารณากาย ก, ายกี่แง่มุมเนี่ยรู้หมดอะ่ะพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะนะเช่นพิจารณากาย1 9บเก้ออสบสบัพภะเนี่ยนะกี่หมวดก็เจริญทั้งหมดพิจารณาเวทนา9้าพิจารณาจิต16พิจารณาธรรมะหหมวดเนี่ยก็เจริญรอบรู้ทั้งหมด สัมมาประธานทั้ง4ี่นะสังวอนเขาเรียกว่าสังวอนประธานปหานะประธานอนุรักษ์ภ า, าวนาประธานอนุรักษ์นาประธานเนี่ยประธานทั้ง4ี่เนี่ยพงก็เจริญเพียบพร้อมบริบูรณ์อิธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เจริญเพื่อวิเวกอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละพงค์ก็เจริญครบถ้วนอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะ สติสมาธิและปัญญาก็ครบถ้วนบริบูรณ์หรือพละเนี่ยนะภละก็คือไม่หวั่นไหวพระองค์มีศรัทธาเพราะพระองค์จึงไม่หวั่นไหวต่อความไม่เชื่อพระองค์มีวิริยะเนี่ยนะจึงไม่หวั่นไหวต่อความเกียจคร้านพระองค์มีสติจึงไม่หวั่นไหวในความประมาทเนี่ยนะพระองค์มีสมาธิจึงไม่หวั่นไหวในความฟุ้งซ่านพระองค์มีปัญญาจึงไม่หวั่นไหวในความโง่เขลาคืออวิชชาเนี่ยนะ อันพระหา้าพระองค์เนี่ยมีคุณธรรมที่ทําให้พระองค์ไม่หวั่นไหวขณะเดียวกันพระองค์ก็มีโพชองเจ็เนี่ยนะที่เป็นองค์ที่ทําให้พระองค์ตรัสรู้อริยสัจและพระองค์ก็ปฏิบัติตามอริยมรรอันประกอบไปด้วยองค์8สรุปในโพทิปักขยธรรมเนี่ยพระองค์มีทั้งหมดครั้นจึงชื่อว่าพักวาก็คือมีส่วนแห่งโพทิปักคยธรรม37นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งตถาคตานะตถาคตพลยานก็คือทศพลยานสิ เวสารัชยานสี ā ā ่ 4, ปฏิสามพิธาสอภินยา6พุทธธรรม6เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระวาอันตถาคตพลายานหรื อ, อยานที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าว่าเช่นฐานาฐานายานกรมวิปากายานเนี่ยนะสัพพัทธคามินีปฏิปทายานอินตริยะโปรปริยตายานนะปุเพนิวาสานุสติยานจุตูป ป, ปาตายานหรือว่ายานที่รู้ความเศร้ามองผ่องแผ้วแห่ง วิโมกสมาบัติทั้งหลายนะหรือตลอดจนถึงอาสวัคคยาญเนี่ยญาณทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์หมดอันนั้นเป็นกําลังของพระพุทธเจ้าในการอาศัยกําลังเหล่านั้นประกาศธรรมจักรแล้วนะพระองค์ก็มีเวสารัชธรรมเนี่ยนะธรรมที่ทําให้พระองค์เนี่ยไม่ขาดเนี่ยนะคือธรรมะทำให้พระองค์เนี่ยองอาจทําให้พระองค์กล้าหาญไม่ครั่นคล้ามีสี่อย่างนนะคือไม่มีใครโจดพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ไม่จริงนนะร เ, เนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่ยังเหลือละกิเลสไม่ได้เนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยสสอนแล้วก็ปฏิบัติตามไม่บรรลุหรือว่าพระองค์บอกว่ามีโทษแล้วใครทําแล้วไม่มีโทษเนี่ยไม่มีอันสิ่งที่พระองค์แสดงนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆและพระองค์ก็บริบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นเครื่องแตกฉ้านสี่ประการแตกช้านในอัตในธรรมในนิรุตและปฏิพานพระองค์ก็ยังมีอภิน ญ, ญาหกเนี่ยนะอิทธิวิธีเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ได้รู้วาราจิตมี หูทิพย์เนี่ยนะบแล้วกแ็แสดงมโนมยิทิหรือละเลิกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายตลอดจนถึงสิ้นอาสวะกิเลสและพระองค์ก็มีพุทธธรรม6กนี่นะพุทธธรรม6ก็คืออาสาธารณยานหนี่นะอาสาธรรยานหก็เน้นนี่นะคืออะไรอินทรียะปโปรปริยตยานอาส ย, ย, ย, ย, ยานุสยายานยมกะปาติหาิยานสมากรุณาสมาบัติยาน อนาวรณยานสัพพัญยุตยานเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นพุทธธรรมเป็นธรรมะที่มีเฉพาะสําหรับพระพุทธเจ้าเนื่องจากพระองค์มีคุณธรรมดังที่กล่าวไปแล้วนะั่นแหละพระองค์จึงชื่อว่าพระควาพระนามว่าพระควาเนี้พระมารดาพระบิดาพระพี่พระน้องเนี่ยนะพระพาดาพระคินีเนี่ยนะพี่น้องมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดาม่ได้เรียกใหนะ้ไม่มีใครมาเรียกให้นะว่าเป็นพระควา แต่คําว่าพักาวานี้เกิดจากวิโมกขันตินามคือหมายความว่าพระองค์บรรลุอริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นามว่าพักว่าเป็นสัจจิกาบัญญัติคือเป็นบัญญัติที่เกิดจากการทําให้แจ้งคือบรรลุสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะพร้อมกับการบรรลุสัพพัญญุตญาณ น, นะโคนแห่งต้นโพของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะทรงพระนามว่าพักว่า นี่ <c oughs> <spiritually, c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสที่ว่าคําสั่งสอนของผู้ประกอบเนืองๆในเมถุนธรรมย่อมเ ล, ะเล อ, นเน อ, aa, อ, อเละเลือนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคําสั่งสอนย่อมเลอะเลือนเนี่ยย้อนมาที่ผู้ที่ประกอบเมธุนธรรมเนี่ยนะเพราะนั้นคําสั่งสอนย่อมเลอะเลือนด้วยเหตุสองอย่างคือคําสั่งสอนทางปริยัติย่อมเลอะเลือนเน อ, อย่างหนึ่งคําสั่งสอนทางปฏิบัติย่อมเลอ ะ, ะเลือนเนอย่างหนึ่งนะถ้าประกอบเมธุนธรรม น, นะ คำสั่งสอนทางปริยัติเนี่ยเป็นฉไหนว่าคำสั่งสอนใดคือสุตตะเคยยะเวยาการณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะเนี่ยนะคือชาดกอัภูตธรรมเวทละอันบุคคล น, นั้นศึกษาแลว้วนี้ชื่อว่าคำ ส, สอนทางปริยัติคำสั่งสอนทางปริยัติแม้นั้นย่อมเลอะเลือนฟั่นเฟือเหินห่าง น, นะ คือผู้ที่ศึกษาธรรมศึกษาวินัยศึกษาพระไตรปิฎกศึกษานิกายห้าศึกษาคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าหรือศึกษาคําสอนที่ประกอบด้วยพระธรรม8ปดหมืสี่พันระธรรมขันเนี่ยนะถ้าไป ป, ปฏิบัติคือเสพเมถุนธรรมเป็นต้นเนี่ยทำให้คําสอนเนี่ยเลอะเลือนเลอะเทอะไปหมดอนะ แม้กระทั่งคำสั่งสอนทางปฏิบัติก็ย่อมเลื่อนเรือนคําสั่งสอนทางปฏิบัตินี่เป็นไนก็คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นค่าศึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์เนี่ยนะคือพระนิพพานเนี่ยความปฏิบัติทำสมควรแก่ธทมคือการปฏิบัติรำสมควรแก่โลกุตระธรรมคือความเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลความเป็นผู้คุ้มครองทวะแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นคือชาคริยานุโยคเนี่ยนะสติสัมปชัญญะสติประธาน 4, สี่สมมัิประธานสี่อิทิบาสีอินทรียห้าพละหโพชฌงเจ็ดอริยมรคมีองค์แปดนี้เรียกว่าคําสั่งสอนทางปฏิบัติคือต้องเจริญขึ้นนะนะคำสั่งสอนทางปริยัติก็คือพระไตรปิฎกคําสั่งสอนทางปฏิบัติก็คือการเจริญศีลอินรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยก นนะสติสัมปชัญญะโพธิปัจขยธรรมนี่เรียกว่าคําสอนทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นคําสั่งสอนทางปฏิบัติเนี่ยนะก็ย่อมเลอะเลือนเลอะเทอะเนี่ยนะฟั่นเฟือเหินห่างเพราะฉะนั้นคําสั่งสอนย่อมเลอะเทอะเลอะเลือนแม้อย่างนี้ด้วยประการชนีเนี่ยนะพันก็ทีนี้ผู้ที่ไปซ่องเสพเมถุนธรรมอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติผิด ปฏิบัติผิดยังไงความว่าบุคคล น, นั้นย่อมฆ่าสัตว์บ้างเนี่ยนะถ้าเน้นพระพิสูจนที่สึกไปนะพอศึกไปมีครอบมีครัวก็ทําไงอ่ะประกอบอาชีพก็เนี่ยทีก็เจอฆ่าสัตว์ก็ต้องฆ่าสัตว์แหละเนี่ยนะก็คาระวะทั้งหลายตอนนี้ก็ทิศททั้งนั้นแหละเนี่ยนะกพวกที่เคยบวชทั้งนั้นเนี่นะวั้นกลับไปก็กลับไปฆ่าสัตว์นั่นแหละกลับไปลักทัพย์ตัดที่ต่อบางพวกก็ไปปล้นเนี่ยนะอย่าว่าสมัยนี้สมัยพุทธกาลยังมีไปปล้นใช่ไหมที่ร้านลูกศิษ ที่ไปถูกเสียบก้นนั่นนะนั่นก็เป็นนักบวชเก่าอ่ะนี่นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็พอศึกไปแล้วเสษเมถุนก็ทําให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดที่ต่อปล้นโดยไม่เหลือปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวดักปล้นที่หนทางเปลี่ยวควบหาภรรยาของผู้อื่นบ้างก็มีเที่ยวผิดกามเมมั่วไปหมดก็มีแล้วก็กล่าวทำเท็ตก็มีเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดก็คือเนี่ยไปผิดสินห้านั่นแหละว่า นี้เป็นธรรมะอันไม่ประเสริฐในบุคคลนั้นมีความว่าข้อปฏิบัติผิดนี้เป็นธรรมะอันไม่ประเสริฐเป็นธรรมะของคนพาลเป็นธรรมะของคนหลงเป็นธรรมะของคนไม่รู้เป็นธรรมะของคนมีถ้อยคําดิ้นได้ไม่ตายตัวเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนอะไรหน้ามือเป็นหลังมือนะเป็นคนพริกแพลงพลิกแพลงกันั่นแหละสัมพันธไทว่าคนกระล่อนนั่นเองในบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านี้เป็นธรรมะอันไม่ประเสริฐในบุคคลนั้น สรุปในคาถาก็คือว่าคำสั่งสอนทั้งทางปริยัตทางปฏิบัติของผู้ประกอบเนือ ง, เนองในเมถุนธรรมย่อมเลอะเลือนและบุคคลนั้นก็ปฏิบัติผิดคือไปประพฤติอกุศลกรรมบทนี้เป็นธรรมะไม่ประเสริฐคือเป็นความปฏิบัติผิดในบุคคลนั้นคาถาต่อไปว่าบุคคลใดเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้น ย่มเสพเมถุนธรรมบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นปุตุชนคนเลวในโลกเหมือนยวดยามที่หมุนไปผิดฉะนั้นเนี่ยนะ น, นี้ก็ว่าตำหนิว่าพระพิสูจนเลยนั่นแหละเนี่ย น, นะที่ศึกพระลาเพศไปเนี่ยนะก็ประกาไปซ่องเสพเมถุนธรรมก็เรียกว่าปุตุชนคนเลวมากเลยนะตำหนิแรง คำว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นเนี่ยนะคือตอนแรกอะนะเบื้องต้นก็คือตอนแรกอะนะตอนแรกก็เที่ยวไปแต่คนเดียวว่างั้นเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยส่วนแห่งบรรพชาหนึ่งด้วยการละคลุกคลีด้วยหมูนี่หนึ่งที่ว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในส่วนเบื้องต้นด้วยบรรพชาคือกา ร, ร, าการบวชเนี่ยเป็นอย่างไรบอกว่าบุคคลเนี่ยตัดกังวลในคาราวาททั้งหมดในตอนแรกอะนะตัดกังวลคาราวาท ตัดกังวลในบุตรภริยาตัดกังวลในญาติตัดกังวลในมิตรอมาตตัดกังวลในความสั่งสมปลงผมและหนวดนุ่งหม่มผ้าตาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลเป็นผู้เดียวเที่ยวไปคืออยู่นะเปลี่ยนอิริยาบถประพฤติรักษาเป็นไปให้เป็นไปยังอัตภาพให้เป็นไปเนี่ยนะแต่ว่าสมัยนี้เชื่อไหมว่านักบวชพ่อลูกก่อนมีแล้ว อยากกับเมียลูกยังอ่อนเอาลูกไปไปไหนก็เอาอุ้มลูกไปด้วยนะออมีสมัยใหม่ไฮเทคมีหมดอะ่ะอันนี้พูดถึงว่าเที่ยวไปแต่พูดเดีย ว, นะวยนะอ่ะนะไหนนะ